เอะไรเป็นอารมณ์ของใจเอาอะไรเอาอะไรเป็นเป็นอารมณ์ของใจเอาใจอยู่กับอารมณ์เอาเอาใจอยู่กับอะไรอสุภะอสุภะแปลว่าของางาม แปลว่างงานอะสุภาแปลว่างานสุภาก็เป็นชื่ออะสุภาษก็เป็นชื่อชื่อทั้งหลายเกิดจากใจสมมติ จากใจเข้าไปหมายรู้เห็นอย่างไรก็ต้้งสมมุติตามที่ใจเข้าไปรู้ไปเห็นนั่นคุณจะรู้เห้นของอันเดียวกันแต่ใจคนก็ใจ เห็นแล้วไม้เอาสิ่งที่รู้เห็นนั้นไม่ตรงกันแม้แต่ใจดวงเดียวบางทีก็เห็นว่าเป็นของงานบางทีก็เห็นว่าเป็นของไมงานได้ใจ ที่เข้าไปรู้เห็นความจริงในเมื่อรู้ถหงนความจริงแล้วใจจะสมมติออกมาว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่งามใจไม่รู้เห็นสภาพความจริงใจก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอันนั้นเป็นของงามขึ้นมา ทั้งทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันต่างใจไปก็เห็นต่างกันไปตามที่ใจเข้าไปรู้ไปเห็นใจที่เข้าไปรู้ไปเห็นแล้วเกิดความรู้ขึ้นเกิดเป็นสัญญา ความหมายขึ้นแล้วก็เกิดเป็นสมมติตามมาตามที่ใจระดับของใจงความโง่ความคลายของใจงความมืดความสว่างของใจแล้วก็ไปสมมุติไปหมายไปสมมุติตามความมืดตามความสว่าง ตามความโง่ตามความฉลาดของใจคำว่าอจุพะคำว่าอสุ ภ, สภเป็นสภาพความจริงของอัตภาพร่งางกายอัตภาพร่างกายทุกส่วนจะส่วนไห น, ไหนส่วนใดๆที่สมมติกันเป็ น, น, น ช, ชื่อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ชื่อยางชื่อยางนั้นอย่างนั้น เอาสมมติเอามาเป็นคนที่ทั้งหมดที่เอามาสมมติเป็นคนนั้นแต่ละยางแต่ละยันความจริงของเขาเป็นอสุภะคือของมานานังงามและความจริงเขาก็เป็นสติกูลคือของสุกระกของน่าเกียดใจสวางใจเห็นชัด ความจริงที่เขาเป็นในเห็นพัดตามความจริงที่เขาเป็นใจก็รู้ความจริงที่ใจเข้าไปเห็นนั้นแล้วก็สมมติออกมาตามที่เข้าไปรู้นั้นว่าเป็นอสุภพส่วนใจที่มืดใจที่โง่ เห็นของปลอมๆก็ว่าเป็นของสวยของงามหรือว่าเป็นสุภะคือความงามความเห็นทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านทรงเสนอเสริญความเห็นชัดตามความเป็นจริงการจะเห็นอะไรก็ช่างถ้าหากว่าเห็นชัด การจริงๆแล้วใจของเราจะปล่อยวางสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นทับนั้นสิ่งใดที่เรายังไม่เห็นทับสิ่งนั้นเราจะต้องรูค้คําจะต้องไปยึดไปถือไปพอใจและไม่พอใจในสิ่งที่เรายังไม่เอาใจเข้าไป รูปไปเห็นให้ส่วนแจ้งสรุปแล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญยกย่องความรู้ความเห็นที่แจ้งพับต่างความารจริงๆความรู้ความเห็นที่ไม่เจ้งพัดตามความจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญเพราะไม่ได้ ประโยชน์อะไรอันเกิดจากความรู้ที่ไม่แจ้งในทัดไม่ได้ประโยชน์อะไรอันเกิดจากความรู้ที่ลมเดาเอาหรือคาดทันในเอาการที่เรามีอโอกาสที่จะรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรเสนอเสน่นั่น จะต้องให้ความพยายามดูให้ความพยายามเอาใจไปค้นคิดเอาใจไปสอดส่องและเอาสิ่งที่เรายังไม่แจงไม่ทัดนั้นเอามาเป็นอารมณ์ของใจและเอาใจไปตั้งอยู่ในจุดที่เรายังไม่เกิไม่ทัดนั้นเอาใจไปตั้งตาใจคือฟานสว่างของใจอ่านดูอ่านดูอ่านดู ในเมื่อเอาใจที่สว่างไปอ่านดูสิ่งที่ยังไม่แจ้งในทัดและอ่านอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ไม่แจ้งทัดก็สามารถที่จะแจงทัดตามความจริงนั้นได้ที่ว่าการเอาใจอยู่กับอัุภะเป็นหลักการที่ถูกต้องเอาอัุภะมาเป็นอารมณ์ของใจ เป็นว e ิธีการที่ถูกต้องใจสัจสุภะให้สัมผัสสัมพันธ์ให้เป็นอันเดียวกันอย่าให้แยกจากกันในเมื่อใจของเราสัมผัสสัมพันธ์ไม่แยกไม่หันหลังใสหันหน้าใสอสุภาอยู่เสมอไม่หันหลังใสไม่หันข้างๆใจ เพราะอ้างข้างมันไม่มีตาที่จะเห็นข้างหลังมันก็ไม่มีตาที่จะมองต้องเอาหน้าใสเอาใจของเราใสในอสุภะแต่ละส่วนแต่ละส่ว น, ต, วนตั้งแต่สีสัตลงไปถึงข้าวข้าว ข, ขึ้นมาทีสัตพคมทุกเส้นเส้นไหนที่ไม่ปฏิปูลเส้นไหนที่สวยงามนิ่ ขนก็เหมือนกันเล็บ ก, ก็เหมือนกันจันก็เหมือนกันหลังก็เหมือนกันแต่ละยางแต่ละที้น์ล้วนแล้วแต่เป็นของสติกูลล้วนแล้วแต่เป็นอาชุพะของไม่สวยไม่งามทั้งนั้นแต่ใจมืดนี่ใจมืดมันก็ถูกความมืดโกหกหลอกลวงความมืดก็คืออะไรก็ ค, คือความยินดีความมืดก็คืออะไรคือกิเลสนั่นแอืะ ม, ม, ม, ม, มันไม่มันไม่รู้ชัดตามความเป็จริงเห็นผมก็่บางทีก็ว่าผมงามเห็นขนก็ว่าขนงามเห็นเล็บ ก, ก็ว่าเล็บงามเห็นฟันก็ว่าฟัน ง, งามเห็นหนังก็ว่าหนังงามผมจะงามได้อย่างไรพูดถึงที่เกิดผมก็เกิดมาจากอาชุพัชอาชูพันนี่ทุกเส้งเกิดจากของกตรกูลทั้งนั้น คนก็เหมือนกันเกิดจากสถานที่เกิดก็เป็นสถานที่ปกกระโปงแน่แล้วก็อาศัยสถานที่ปกกโปงอัง น, นั่นแหละปูกหญ้าผมคนได้ดมากฟันก็เหมือนกันถึงว่าจะเกิดที่หลังฟันก็อาศัยของตระกูลร่างกายทั้งหมดต้นแย่แต่เป็นของตระกูลเท้านั้น ฟันก็งอกออกมาจากของปฏิกูลอาศัยของปฏิกูลฟันจึงงอกฟันจึงเจริญฟันจึงเตยใจ de, de, ยาวออกมาไ ป, ปรากฏในสายตาทําให้คนที่ลุ่มหลงคนที่ใจมืดใจบอดเข้าใจว่าฟันคือสิ่งที่สกปรกเกิดเพราะสถานที่เกิดก็สปกปรกจงอยู่ได้ก็อาศัยของสกปรกปฏิกูล ส่วนใดทั้งหมดต้นแล้วแต่เกิดจากของปฏิกรูนสถานที่เกิดก็ปฏิกูลเกิดมาแล้วก็อาศัยตรงอยู่ได้ต้นแล้วแต่ของอาศัยของปฏิกูลทั้งนั้นใจของเราให้อ่านอยู่เสมอนี่อ่านพัดแล้วนิดสรุปลงมาเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นสรูปแล้วของปฏิกูลก็คือของไม่สวยไม่งามนั่นเองของไม่สวยไม่งามก็คือของปฏิกูล ถึงว่าให้เอากรรมาฐานเป็นเครื่องอยู่ของใจเอาอาสุปั์อาสุพังเป็นคือกรรมเป็นในอารมณ์ของใจในเมื่อใจของเรามีกรรมฐานมีอาสุพัเป็นอารมณ์ของใจใจของเรานี่จะไม่ไม่วกแวกเป็นลึงเป็นข้างเพราะใจจะมีความพอใจอารมณ์ที่เป็นกรรมฐานมีความพอใจ อยู่ในอารมณ์เพราะอารมณ์คือกรรมฐานนี้ใจเข้าไปอยู่ใจเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วความร้อนในจิตใจใจที่เคยเป็นเคยมีนับมวย์นับวันที่จะลดน้อยนับวันที่จะน้อยความร้อนมีเปอร์เซ็นต์ร้อยลดลงแปดสิบโทษหกสิบห้าสิบในระหว่างที่ลดลงตามลำดับลำดับนั้นใจก็มีความเย็ยนเพราะของที่เคยเผาเคยจำ เป็นความร้อนมันลดลงในเมื่อเป็นความร้อนลดลงความสบายของใจที่เคยถูกความร้อนเผาเผานั้นมันก็เริ่มสบายขึ้นในเมื่อเริ่มสบายขึ้นก็เห็นความสําคัญของกรรมฐานเห็นคุณค่าของเอาใจอยู่กับกรรมฐานก็มีความพยายามที่จะเอาใจอยู่กับกรรมฐานให้แน่นยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็เห็นจริงแฉ่งแจ้งตามสภาพความเป็นจริงของจิ่งที่เราเคยติดเคยคล้องอยู่ คห็นชัดตามเพื่นความเป็นจริงของสิ่งที่เราเคยเห็นว่าสวยว่างาม น, านั้นนี่มันเป็นเรื่องของความโง่เป็นเรื่องของตาบอดหูหนวกของเราตัาหาของตะกั่บตกนี่ของปะตีกูลก็ ย, ยังว่าแทาคิดว่าเป็นของสวยของงามนี่ในเมื่อเราลืมตาเห็นห ม, มุดเห็นพูดเราเชื่อว่ามูดพู ด, ด, ด, ดเป็นของสะอาดไม่ได้ถ้าหากว่าเราได้เปไปตาบอดนี่คนเขาบอกว่า แต่เป็นของสะอาดของสะอาดเราก็าว่าเป็นของสะอาดบางทีเขาว่าสวยงามเราก็จะว่าเป็นของสวยงามกละเขาผู้ที่มาบอกเราก็คือตัวกิเลสมันคอยโกหกคอยหลอกคอยลวงเราอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใจของเราสว่งสางตด้ั่งแจ้งเห็นสิ่งที่กิเลสมันเคยโกหกหลอกลวงแล้วมันจ ะ, ไ ม, ะมนไม่สามารถที่จะโกหกหลอกลวงเราได้อีกต่อไป เชื่อว่าคำว่าพระกรรมฐ า, านพระกรรมฐ า, านก็คือเอาใจอยู่กับกรรมฐ า, านนี้เองคำว่กากรรมฐ า, านก็เป็นคําหมายถึงการกระทําฐานะที่ตั้งฐานะที่ตั้งการกระทําเป็นที่ตั้งของมรรคผลกรรมฐานนี้เป็นการกระทําและเป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลเสร็จ เรียวกว่ารรมฐานนี่เป็นฐานที่ตั้งในเมื่อผู้ใดเอาใจไปสัมผัสสัมพันธ์ใจดวงนั้นเป็นฐานที่จะรองรับซึ่งมัดและผลเดียวยินว่าคําว่ามัคําว่าผลไม่ต้องไปคิดหาที่อื่นมัดผลไม่มีที่อื่นอยู่ในจิตในใจของผู้ที่เอาใจอยู่กรรมฐานนี้เองให้พากันเข้าใจ เดินลนกระเสิดกระกลายไกวขวานี่ไปสารพัดทิศสารพัดแห่งนี่เดินลนไปใหนมากขนาดไหนยิ่งหลงไกลจากมักผลมากเท่านั้นเพราะนักผลและนิทานไม่ใช่อ ย, อยู่ที่อื่นไม่จะอยู่ใกลจากจิตใจจิตใจของเรานี่ใจของเราอยู่ที่ไหนมักผลและนิทานอยู่ที่นั้น ในเมื่อเรามีการขัดเกลามีการท่าจาละมีการสลักสิ่งที่อ่ามืดสิ่งที่เป็นคนเป็นตมหรือจํะไม่ตำจัดสิ่งที่เป็นสนิมที่มันครอบนี่ความมืดที่มันครอบในจิตในใจของเรานี่ให้มันหมดมันสึ้นด้วยอูบายที่เยียกวยาด้วยอูบายที่ทําใจของเราให้ ระวังกระจางแจ้งลู่ชัดตาตามจริงจของสิ่งที่ใจของเราเคยหลงหลงหลงมัวเมาในเมื่อมันแจ้งแจ้งชัดตามตามจริงจริงแล้วจะบอกให้มันยึดจะบอกให้มันติดบอกให้มันยินดีจะบอกยังไงมันก็ไม่ยินดีจะบอกให้มันยึดมันก็ไม่ยึดบอกให้มันติดมันก็ไม่ติดมันจะไปติดยังไงเหมือนก็บอกให้ไปติดหมูดติดพูดใครจะยื่นเอามือไปให้หมุดกูพูดมันติดนี่ เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วเหมือนกับยินเห็นกองมูดของพูดใครที่จะเอามือเอาเท้าไปมูดพูดมันเปื่อนงในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีนางคนหนึ่งอ้างว่าเจ้าของสวยน่ะทีนี้ก็พระพุทธจเจ้าท่านก็ทรงว่าถูกข้าปลุกอย่างนี้แม้จะเอาเท้า้าเท้าไปเหยียดก็ยังยังไม่อยากจะเอาเท้าไปเหยีไปถั่วให้ถูกต้องเท้านี่ ที่พระพุทธเจ้าเอาความจัดความจริงมาจาดแต่นางคนนั้นกลับโกรธโกรธว่าพระพุทธเจ้าด่านี่แต่ส่วนมารดาดีดาของนางคนนั้นเห็นแจ้งเห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสธรรมเทศนาัตรัตธรรมคือความจริงนี่ก็ยอะไม่ไม่เห็นชัดที่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงมีกาบออกไปก็ปล่อวางจักรยุทธิ์ เห็นร่างกายอันนี้เป็นของปฏิกูลเห็นร่างกายอันนี้เป็นเด็กเหมือนมูดเป็นนโคดจริงๆเสียใจเมื่อเห็นว่าเป็นหอเป็นขมูดเป็นโคดมันก็ถอนตัวออกจากหมอกกองมูดกองโคดนั่นจสียใจนั้นก็ตายเป็นพระอริยสินมาคาว่ามรรคผลแม้แต่พระอริยะเบื้อกต้นก็เรียกว่าเข้าถึงมรรคถึงผลได้เรียกว่าโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล เรื่งว่าหามาหาผลไม่ต้องไปหาที่ไหนหาลงไปที่ตรงที่ร่างกายตรงที่จิตใจของเราสึกข้องยินดีอยู่นั่นนหนี่ที่เรายินติดข้องเรายินดีเกิด ค, ความยินดีเกิด ค, ความพอใจเกิด ค, ความกำหนัดรักให้มีความปราถนานี่เพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจเอาใจไปจดจ่อไม่สนใจเอาใจไปศึกษาไม่สนใจเอาใจไปทาให้แกมแงนี่ในเมื่อไม่สนใจ นี่มันจะไปแฉกแง้มมันจะไปรู้เห็นคาดตามความจริงไม่ได้ในที่สุดมันก็ลุหลงมัวเมาเหมือนกับนอนแช่อยู่ในมุดในขุดก็พอใจแม้วนอนแช่อยู่ในกองมุดกองขุดนั้นเหมือนกับนอนชนบดนอนเป็นอย่างไรจิตใจของผู้ที่เห็นคัดตามความจริงมันก็เหมือนกับนอนนอนแช่อยู่ในขุดในมูดในขุดมันก็ยังว่ามันมีความสุข ไม่ต้องไปหาที่ไหนหามหาผลหาลงจุดที่เรายินดีเนี่ยติดข้อมหาลงในจุดที่เรายินดียินไล่นี่ล่ะทาไมจึงหามหาผลหาตรงจุดที่เรายินดียินไล่ตรงจุดจะตรงจุดที่เราสิดเราข้องที่เรายินดียินไล่ใช่เราติดเราข้องเพราะเราไม่สนใจเอาใจไปตั้งเอาใจไปจุดโจเอาใจไปศึกษาให้แจ่มแจ้งกันถหาพอใจไปตั้งเอาใจไปศึกษาเราก็สามารถที่จะจแได้แจ้งได้ในเมื่อ ยามแจ้งแจ้งขึ้นไปแล้วเราหรือเคยไข่ไปช่างมันจะกระโดดลงไปแค่ในหมดในพูดอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างมีสติกาตั้งทุกสิ่งทุกอย่างมีความระมัดระวังมีความสำรวมจิตคืตเอเจิตใจของเราสาติเป็นทางเครื่องสำรวมตั้งแต่ตื่นมา เตินขึ้นมาเล็ดเล็กทันทัทีของคนเล็ดฟันหนังเตินขึ้นมาเล็ดทันทันทีดินน้ําลงไปเตินขึ้นมาทันทีแล้วเล็ดดตั้งแต่ศีรษะลงไาท้าเท้าเคลืนมาศีรษะนี้แล้วเล็กอยู่อย่างนี้ไปดินท่าบาทหรือว่าสับจากดินท่าบาทเอาใจอยู่ก็ผมคนเล็ดฟันหนังเอาใจอยู่ก็องมดฟองโคดเอาใจอยู่ก็หนังหอกระดูกเอาใจอยู่ก็หนังห่อของปฏิปูลเหล่านี้ของทุกอย่างเป็นของปฏิปูลทั้งนั้น แม้แต่หนังมันจะมีความเหนียวแน่นหนาขนาดไหนของปฏิปุนมันก็ยังจึงภาพออกมาไม่อาบน้ําสักวันไม่อาบน้าํนาสัากสองวันใครพูดใดจะขอนใครพูดได้อย่างคำพูดได้ตดไดเต็มปากว่าเราไม่ไมเหมือนไม่อาบน้าสักวันสองวันสามวันใครพูดได้เอใครพูดแน่ได้ออกเอ็มยังได้ยัง อย่างอย่าวัดกพูด อ, อย่างถูกต้องว่าเรานี่เป็นไม่เห็นไม่สกปรกใครผู้ใ ด, ดนะอมันเ ห, น, เห น, เนียวแน่นมันหนามันก็สิ่งไอายมันก็ยังขึ้นภาพออกมาแล้วจะว่าไม่เป็นกองมดุดกองพูดได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านจิงว่าเหมือนก็ปองมุดองพูดจะเอาตีนไปเหยียกก็ยังทิศก็ยังสกปรกอ่ะยังไม่อยากจะเอาไปเหยียดแล้วจะยินดีได้อย่างไร กิเลสบรรจุกระโปงกิเลสไม่มีอะไรที่จะสกปบกเข้ากิเลสของสกรปรกขนาดไหนมันทกิเลสมันทอบใจและมันพอใจสิ่งที่สกปรกมากเท่านั้นจึงว่ามันมีกิเลสไอ้ไม่มีอะไรที่จะสกะรกเข้ากิเลสแตให้มันมีกิเลสอยู่นั่นล่ะของสกรปรกมันเป็นอยู่ในจิตใจถ้าใจของเรามันเป็นอยู่อยู่ด้วยกิเลส แตเจตกิดเหตุมันตกข้างอยู่ในจิตใจของเราเป็นบางส่วนจิตใจของเราก็ยังมีของตกปะกเกลียดนอยู่ในจิตใจสิ่งใดก็จะถึงสะอาดสะอาดขนาดไหนเป็นตาชนะถ้าหากก็มีของตกปะกบปรากฏแม้แต่เล็กน้อยตาชนะอันนั้นจะเป็นขอสะอาดไม่ได้เพิ่งใช่ไหมใส่ผ้าปอนท่านสบายที่อีก่คำที่หลับที่นอนตเหมือนกันสะอาดสะอานขนาดไหนในเมื่อมีของสกปะกบนี้โม้สีโคตรมาตกไอ้เออ มาเปืี่ยนเล็กน้อยมือนกับการเป็นของของตกตะกไปต้องรีกไปซักไปไอไปเอ่อไปล้างจิตใจของเราก็เหมือนกันในเมื่อปรากฏแล้วยังมีของสกตะกอยู่ยังมีของเอที่ไม่สะอาดจะของยังมีคนมีตมอยู่รีพากันซักการพอกรีพากันซักให้มันสะอาดด้วยธรรมะคือกรรมฐานไม่มีอะไรรอกที่จะทำร้ายจิตทำร้าใจ ให้สะอาจาอาสะาาอ้านนี่จะกรรมฐานเท่านั้นนักบวชเวลาจะบวชนี่ต้ามีเกจ้าโลมานนหนะฆ่าดันตาเจื่อก่อนนี่ต้องให้เกษากรรมฐานให้พิจเจนาะตั้งแต่อสถานที่เกิดจุที่เกิดของผมผลเม็ดวันหลังเป็นยังไงมันก็กองมุดกองโคตรกองไอของปฏิบูลดีๆนี่ มันเกิดมันก็เกิดจากของตระกูลเอาของปฏิกูลนั่นนั่นเอามาเป็น ต, ปตัวเป็นตนแล้วจะว่าเป็นของสะอาดของบริสุทธของสวยของงามได้อย่างไรล้างแลว้วล้า ง, างอีกล้างแล้ ว, วล้างอีกล้างทุกวันวันละข้างสองข้างบางทีถ้าเอาเอาไปหม่มนุ่งเอาไปหม่มผ้ามันก็ยังมีกลิ่นแล้วจะว่าของหอมได้อย่างไรจะว่าของดีได้อย่างไงถึงว่าเอาใจเกี่ยวข้องสัมผัสสัมผัสอยู่กับกรรมฐานให้ยิ่งนี่เป็น วิธีการเป็นหลักการที่จะสร้างเราสร้างสรรดาวนี่ให้เข้าถึงในความก้าวหน้าขึ้นเป็นลําดับลําดับมาผลนิพพานไม่ต้องไปปราถนาี่ในเมื่อเราก้าวหน้าสร้างโดยกำมินโดยโดยข้อปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วใจของเราที่ไม่ปราถนามาผลนิพพานจะเกิดขึ้นในทิ่ใจนั่นไม่ใช่ต้องปราถนาจึงเกิดไม่ใช่จะปราถนาจึงเป็น อามะอาดของภายในความสะอาดของในเมื่อมีการชาระมีการจักการพวแปดที่มันจะสกระป๋องขนาดไหญ่เทียงไรไปข้างล้างมันไม่หยุดเชี่ยมันไม่ไม่เชี่ยมันสื่อเสมอมันก็ต้องสะอาดสะอานจุดด่างจุดพล่อยนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนผมคนนี้วันหลังอันนี้ล่ะเป็นทั้งเนื้อที่จะทําให้ทีเลตมันเพิ่มพูน และเป็นข้างอุบายที่จะเป็นข้างอุบายเป็นข้งางธรรมะที่จะทําลายเผากิเลสผมขนเล็บฟันหลังอันนี้ล่ะเป็นของที่จะทําให้กิเลสมันหนาแน่นและกิเลสมันทำเลิกผอมขนเล็บันหนังอันนี้และผมขนเล็บันหนังอันนี้ละ่มนนละมันจะเป็นความที่จะทําลายกิเลส ไม่มีอะไรที่จะทำลายกิเลสมีแต่ผมขนเล็กฟันหนังทังนี้เพราะกิเลสมันก็เอาผมขนเล็ดฟันหนังอันนี้เป็นสี่สือเป็นเครื่องมือในเมื่อเราเอาผมขนเล็ดฟันหนังอันนี้มาเป็นเครื่องมือของของเรามาเป็นทำเครื่องกับกิเลสมันก็ไม่มีเครื่องมือที่จะเอามาประหารจิตใจของเราในเมื่อเราเอาเครื่องมือเอาอาวุธมามาคออยู่ในกำมือ แล้วเอาอาวุธที่มันเคยเอามาประหารประหารเรานั้นมากลับมา ป, ประหารมันแล้วมันไม่ไม่ไม่มีอาวุธแล้วมันจะสู้เราได้อย่างไรนี่ต้งงองใช่สงครามคำว่าสงครามก็คือการทำสงครามสงคราก็คือการแยกถึงไงการการการแยกหรือการที่แบบมุ่งเพื่อให้มีใครมีมีใครชนะ ในไทยมีอาวุธที่ทันสมัยผู้นั้นก็สามารถที่จะมีไทยแดมีไทยมีชนะได้าหารก็พูดใดนี้แต่กำลั้นี้แต่มือเปล่าแล้วไปสู้กับคนมีอาวุธจะสู้เขาได้อย่างไรเราเราก็เหมือนกันาหารก็จะสู้เลยจะสู้จะสู้จะอัธรากิเลสจะฆ่ากิเจะทำลายกิเชสจะรักกิรลสแต่ไม่อันในมือไม่มีอะไรกิเลสมันมี มันมีผมก็เป็นอาวุธมีผนก็เป็นอาวุธมีเล็บก็เป็นอาวุธมีฟันก็เป็นอาวุธมีหนังของหอกอของปฏิกูลมันก็เอามาเป็นอาวุธนี่เรามีแต่คำปั้นมันจะสู้ได้อย่างไรงผมขนเล็บอย่าว่ามันไม่คมมันไม่แหลมไม่คมมันมันไม่มีอำนาจมันทั้งแหลมาทั้งคมทั้งมีอำนาจติดจะหาประมานหาอะไรในสากลละโลกนี้มีอำนาจเข้าผมขนเล็บฟันหนังที่หอกของปฏิกูลนี่ไม่ได้เป็นอาวุธที่มันมีอำนาจเป็นพิเศษทีเดียว และาหารวาเราเอามาเป็นธรรมะก็เป็นอาวุธอาเป็นธรรมะที่เรียกว่ามหาปจจันเป็นธรรมะที่มีเป็นมีปฏิธิทธะปฏิปฏิสิทธะนี่ถึงว่าการแยงอํานาจแย่งอาวุธเช่นกันและกันใครแย่งอาวุธได้ผู้นั้นก็มีสามารถที่จะยึดอานาจได้ถ้าหากว่าผู้ใดมีแต่กาปั้นอาวุธไม่มีปล่อยให้ให้เ่าเขึ้นมันเอาอาวุธที่เรามีอยู่เอาไปใช้มันก็มจะกายจะตายทางนั้น อยมก็อยู่เฉพาะลมหายใจยังมีอยู่ลมไหนมันก็ยังมันยังมันยังไปไหนมาได้มาไปไหนมาได้ไปไหนมาไหนได้เท่านั้นยิงให้พากันน้อมใจอดน้อมใจให้มาอยู่ในอารมณ์ผมก็เป็นอารมณ์ขนก็เป็นอารมณ์เล็บก็เป็นอารมณ์ฟันก็เป็นอารมณ์หนังก็เป็นอารมณ์ลินหน้าลมไฟก่อนนี้เป็นอารมณ์ที่เรียกเขาเป็นธรรม เอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเรามีธรรมะเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ท่านทั้งหลายให้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจผมก็เป็นธรรมะผลก็เป็นธรรมะเละก็เป็นธรรมะฟันก็เป็นธรรมะหลังก็เป็นธรรมะกองเกิดกองแก่กองตายเป็นกองธรรมะทั้งหมดให้เราเอาใจของเราอยู่กับธรรมะกองนี้ถ้าหากว่าเราไม่สนใจไม่น้อมใจเอาใจแต่ของเราอยู่กับธรรมะกองนี้ ก็ทรมาตอนนี้กิเลสมันเอาไปหมดมันเอาไปเป็นอาวุธแล้วมันมาทำลายเรามันไม่ได้เอามัดเอาผลเอาสิ่งที่ไม่มีในเรามาทำลายจิตใจของเราดอกมันไม่ได้เอามาสิา่งอื่นที่ไม่มีในเรามาเป็นเคื่องปืนเชื่ อ, อไฟเผาจิตใจของเราไม่มีมีอยู่ในที่เราเท่นั้นในเมื่อในเรามีอยู่และเป็นธรรมอาวุธที่พระพุทธเจา้าพระสาวกเจ้าเคยใช้แล้ว มีเอาไปให้พิเรศมันมัมันมาไทยจะทำลายเราเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเอาใบใช้เอาในเมื่อนเป็นสมบัติของเราเราเอามาใช้เห็นเป็นประโยชน์แกเราอันนี้มันจริงถูกต้องให้พากันเข้าใจการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งต้องได้รู้ใบวันหนึ่งวันหนึ่งต้องต้องเห็นความสงบของใจมันหัาค่ำก็ต้องตอนดึกไม่ตอนดึกก็ต้องตอนสว่างให้มัน มีในความรู้ในความเข้าใจด้วยในความสงบความรู้ก็ดีเกิดขึ้นนิดเดียวแต่มันมีคุณค่ามากเพชไม่ต้องเม็ดมัในใหญ่เหมือนกันก้อนหินที่เรียกว่ามันแน่นหักเป็นร้อยร้ยตันก้อนเพียงแต่ว่าเล็กนิดเดียวแต่มันมีค่ามากกว่าก้อนหินเท่าภูขขเขาธรรมะี่ธรรมชาติเป็นผลของการปฏิบัติธรรอันนั้นไม่ต้องมีมากท่านละเดียวแพชรเดียวท่านั้น นี่โลกธาตุไม่โลกธาตุทั้งหมดเป็นอันเดียวกันจึนงว่าต้องตื่นตัวอยู่เสมออะไรเป็นขาดสุดใจอะไรเป็นขาดสึกใจสิ่งที่เป็นขาดสึดนั่นละเรายังไม่เขายย้าใจแจ่มแจ้งถ้าหากว่าเราเขา้าใจเแจ่มแจ้งแล้วสิ่งที่สิ่งนั้นทั้งหมดจะไม่เป็นขาดสึดแก่เรา เพาะสิ่งใดใดทั้งหมดก็เป็นของเกิดของตายของเกิดของดับของเกิดของดับสิ่งในโลกอะไรไม่เกิดไม่ดับไม่มีในเมื่อเห็นชาตัวของเกิดของในโลกทั้งหมดซึ่งของเกิดนามาเพื่อสลายเกิดมาเพื่อสลายเกิดมาเพื่อสลายอันใดที่ไม่เกิดมาไม่สลายไม่มีเห็นชาตางความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราจะเชิดือสิ่งที่เกิดมาเพื่อสลายเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงจะพากันพิจารณาให้ยิ่ง นั่งภาวนาอย่ามุ่งใกใจสงบพี่นั่งภาวนาอย่ามุ่งใกใจสงบเดินย่งงงก็มันคันย้ายให้ใจอย่ามุ่งใจใจสงบเราใจของเราเดียวนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรเอาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องหรือเอาแต่เอาสิ่งที่ใจของเราเกี่ยวข้องนั้นเอามาศึกษาพยายามอพยายามรักษาเอาพยายามรักษาอาไว้รักษาสิ่งที่ใจของเราเกี่ยวข้องนั้นเอามาเอามาเป็นอารมณ์ของใจมีสติรักษาไวาอยู่ในเท้า ย่อศึกษาหน้าศึกษาหลังอ่านแค่ข้าหน้าอ่านข้นางหลังอ่านข้าง้าย่า น, น, นข้างขวามันก็แจ่มแจ้งขึ้นมามันไม่ได้เรื่องอะไรมันก็เพียงแต่ว่าใจของมันเกิดขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นแ่านี้นี่เป็นความรู้ขึ้นแถานี้ประเดี๋ย ว, วประดาวมันก็สลายไปนี่ซึ่งทั้งหลายที่มันมีความเกิดจากสิ่งทั้งนั้นจะเป็นส่วนรูปธรรมเป็นนามธรรมที่มันสลายทั้งนั้นคําว่าเกิดก็คือเกิดขึ้นที่ใจ ดินน้ำลมไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไฟเป็นไฟดินน้ำลมไฟในสิ่ง่าเกิดเป็นข่าศึกที่เกิดขึ้นในใจนี่เป็นน้ำมาทำทางนั้นเป็นเป็นข้าศึกในใจจะว่าเป็นรูปหญิงรูปชายก็แชางรูปหิงรูปชายอันนั้นมันในสิ่งข้าศึใจใจแต่ว่าถ้าหาว่าสิ่งนั้นมากเกิดขึ้นที่ใจเป็นข้าศึกในใจจึงว่า สิ่งที่มันปรากฏขึ้นในจิอันนั้นคือความเกิดอันที่มกนใหญ่มากเกิดในขึ้นในจิตใจอันนั่นไม่ดับไม่มีแล้วเราก็ลู่กันอยู่เดี๋ยวเนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจมันค้างมันไม่ดับหรือไม่มันจะค้างตรงไหนถามันเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกเดี๋ยมันก็เกิดมาอีกเดี๋ยมันก็เกิดมาอีกมันทีมันก็เกิดข้อใหม่เดี๋ยวมันก็เกิดข้อเก่าจะเกิดอะไรก็ช่างเกิดมันก็เกิดขอเกิดมันได้ขอที่ไม่เกิดมาได้มันไม่เกิด มันก็แต่ร่างของที่เกิดมาตายของที่เกิดมาตายของที่ไม่เกิดไม่ตายมันก็เด็ดขาดจะมาตอานั้นพุทะเล็มันมันอยู่ที่อื่นเหลือนิจใจของเรามันสัมผัสจำพันอยู่ว่าของเกิดของตายของเกิดของตายแล้วไปยินดีเของเกิดของตายนั้นทำไมจึงยินดีเราไม่ศึกษาแก่นแก้งศึกษาเรก่นแจ้งแล้วเขาเกิดมาตายยินดีก็เท่าเขาไม่ยินดีก็เท่าเขาถ้าไม่ได้ของเกิดเท่าเขาถ้าได้ของเกิเท่าเกิดมาตายในี่ยเขาจะต้องเกิดตายอยู่อย่างนั้นก็แล้วกัน อดีตที่ผ่ามาก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้เสียงนี้ทั้งหมดท่างก็เป็นอย่างนี้อนาคตเป็นขนาดไหนก็เป็นอย่างนี้แล้วอะไรเป็นเราเราไปหมายเขาต่างหานี่ไปหมายเขาว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรต่ออะไรท่าไม่าติเกิดขึ้นมาแล้วเขาจลายเท่านั้นเหมือนกับพระยอดแดกอย่างนั้นนะเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะลายไปพระยอดแกดเขาเกิดขึ้นมาแล้วจะลายไปฟองน้ำเขาเกิดขึ้นมาแล้วหลอบไปแตกจะลายไปแล้วจะสมมุติเป็นฟองน้าหรือไม่สมุดหุดสมมุติเป็นฟองน้า เขาก็จะเกิดว <ần> <iendo> ่าลายพระยัคเนกมัการเาเราจะสมมติเขาเกิดเป็นก็ยัแดหรือไม่ถูกไหมสมมติว่าเขาเป็นพัแดดเขาก็เกิดมาเขาก็จเกิดอาแ้ก็ตรายเท้านั้นนี่มันจะมีเรื่องอะไรเรือศึกษาเรื่องความเกิดความดับศึกษาเรื่องความเกิดาดับนี่ในที่สุดโลกกรททั้งหมดนี้แต่ของเกิดดับเท่านั้น ธรรมชาติที่ของไม่ใช่ธรรมชาติ ท, ที่ไม่เกิดไม่ดับนี่นี่มันโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาโอกาสที่จะน้อยเข้ามาถึงแล้วเพราะมันไม่มีอะไรใ น, ในโลกในโลกฐานทั้งหมดมันมีแต่ขอเกิดมันดับเทานั้นถึงว่ า, ท, า ท, ท, ท, ทำที่เป็นพุเท ท, ทำที่เป็นธรรมโมทำที่เป็นสังโฆ ค, คือใจ<ด><ด>ของเราในนี่ นักเอมพุทโธ่ใจของเราเป็นธโม่ใจของเราเป็นชังชังสังโฆไม่จําเป็นต้องไปหาที่อื่นหาลงจุดที่เราหลงหาจุดที่เรามา่แจ่แจ้งทาสิ่งที่เราหลงสิ่งที่ไม่แจ่มแจ้งนั้นให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วเราจะหลงไม่มีมันจะหลงยังไงทางเราเดินอยู่ทุกวันนะมันจะหลงเหรอตาเราก็ดีตาเราก็สว่างช้างเราก็เดินที่นี่ท่าพ้องแล้วมันจะหลงได้ยังไง ตาลราก็ม่อตาลราก็เบียดไม่ใเคยเดินอีกซึ่งเจวันลู่ลูกขนาดไหนมันก็ชนตอแถวนั้นแ่ะของแข็งนั่งลงไปจะตัดมันลงไปตัดแห่งกัดขากตัดลงไปซึ้นส่วนทีชิลิในร่างกายของเราเนี้ยเขาว่าตัวตนจะงไงมันมีมันมีตรงไหนตัดมันตรงนั้นมันมีตรงไหนกดขยี้มันตรงนั้นมันมีตรงไหนสับมันทําลายมันกดขยี้ให้มันละเอียดลงไป อันนี้นึกเอาเรานึกเอาแต่นึกเพื่อเป็นการไงเนึกเพื่อที่เอาดึกเพื่อเอานึกเอาเพื่อให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ถึงข่านสุกใจนึกเอาแต่ก็เป็นประโยชน์นึกเอาในสิ่งที่ไม่เป็นขั้นสุดใจมาเป็นอารมณ์ แล้วเอาเอาใจของเราอยู่ก็สิ่งที่เหม่เป็นคาสุดเอาใจอยู่ก็สิ่งที่เป็นทําให้ความเกิด ค, ความเรยเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เอาใจของเราอยู่มากเท่าไหร่เมืองก็ยิ่งมีประโยชน์เท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่เอาใจทของเราในอยู่ในใ น, ในกฐธรรมะแล้วใจของเราเนี่ยมันจะกระโดดไปห า, อ, าอะไรก็ไม่รู้ อย่างที่ชาวโลกเขาเป็นชาโลกมันไม่ใช่จะคนหนานกนกปูเปี๊ยนหมดมันจะกระโดดเป็นอย่างนั้นมันไม่จะกระโดดเป็นอย่างนั้นก็มันจะต้องมีสตีให้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้หอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ไม่มันไปไหนนี่มันหลู่อะไรอย่างนี้คนก็มันมีอะไรเอาผลผลออกมาอืมมันมีกนกีแท่ดึงมันออกมา คนมันมีเท่ายเด็กคนเล็กมันมีตาชันมันมีทลายหลังมันมีเท่ายหนังหัวมันมีคอนมยังยาวขนาดหนาขนาดไหนเนื้อมันมีจีไงลักษณะอย่างลายกระดูกกระเดียวนี้เป็นเซตเป็นเป็นอย่างไรยตัใจใส่ปอดมุดคุดเนึ่ยดึงมันออกมาแล้วษณะตรงไหนมันอาชญาตานะตรงไหนมันเป็นคนคนเป็นคนหอก็เป็นคนหรือตาเป็นคนหรือหลังเป็นคนหรือกระดูกกรเดียวเป็นคนหรือมุดคูดเป็นคนหรือตับใจใส่ปอเป็นคนหรือไม่เป็นอไม้จะเป็นปับใจใส่ปอดนันก็ไม่รู้ มันไม่รู้อะไรมันก้อนหินมันรูปมันไม่รูปมันเป็นก้อนหญินแต่ที่นี่คนเน็กกว่าก้อนหินคนเล็กกว่าก็ก้อนหินกันทั้งโลกป่ไปจะบอกกันเหมือนกันถ้าไม่รู้เป็นไรของคนเล็กก็เหมือนกันก็ว่าเป็นผมคนเล็กเป็นคนกันทั้งโลกเป็นตัวเป็นตนกันทั้งโลกมันก็ก่อนหญินองนั้นแหละเขาไม่รู้เขาเป็นอะไรเดี๋ยว่อศึกษามันยิ่งยิ่งศึกษาเท่าไรนี่ ใจของเราไม่แต่ที่จะองคอาจารย์ยิ่งขึ้นไปเขาว่าศึกษาให้มากศึกษาให้มากไม่ใช่ไปเ ป, เปิดฐานใจแต่ตำราไม่ใช่เปิดในหนังสือเปิดหนังสือเปิดตำราเปิดเพื่อมุ่งในการที่จะหลุดศึกษาวิธีการข้อปฏิบัติในเมื่อรู้จักหลักฐานเรื่อเออเออข้อปฏิบัติแล้วเออไม่สนใจไม่ไม่เอามาใช้นี่ ไม่เสีเอาใจเขาไปเกี่ยวข้องกเกี่ยวข้องตาราเกี่ยวข้องตราตำร า, ำามันมี่ได้ทำทำก็คือผมทำาือขนทำคือเล็บทำดูฟันคือาท่าฟันคือหลังนี่เอาใจาอของเราเกี่ยวข้องแค่นี้ไม่มีอะไรเราที่จะำจำกั ด, ดได้มีแต่ธรรมะของจริง ชื่อของธรรมว่าไม่สามารที่จะทำกําจัดที่เดียได้ที่ที่ความหลงของจิงเท่านั้นที่จะกัมจัดความหลงได้ในเมื่อเรารู้เแจ้งในของจริงตายจากความเป็นจริงขึ้นมาความหลงมันหมดจะไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่ไหนศึกษาจริยธรรมโพเทยโพธิละนี่นะศึกษาจระทั่งมหมดไมนมีที่ศึกษาแล้วในที่สุดตรงก้องต้องมาศึกษาการสามเณรที่สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ไม่ไศึกษาศึกษาแต่ของเกิดของเกของตายเนี้เห็นชาติอนจริงนนี้เป็นสัตว์แตว่าพนะำจะไไปของเกิดของเกิดึ้นมาได้จะไหลไปในเห็นคาติว่าเป็นเอาเกิดจะไหลไปแด้จะไปยินดียินร้ายจะอด้ว่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้ยางงมันก็ปล่อยวางใช่มเดินงดม้ะเดอนเอวเอวแวน เดินแข่งแข่งแขงไปแขงแข่งแข่งแขนข่งมาเี้ยก็แขนงไปเตี้ยก็แขนมาเหมือนนักฟ้อนใจมันตั้งแนวแน่อยู่ไงขนักเดียวมันก็ให้มันเคลื่อนไปหน้าเคลื่อนไปหลังมันปโยชนัก็เกืดขึ้นองการปฏิบัติก็เกิดขึ้นเท่านั้นมันเรื่องี้เรื่องนั้นทำจริงจริ ผมไี้เจ้าปฏิบัตไม่ใช่ห้าปีหกปีนะขนาดเดียวเท่านั้นนักขนที่พุทธเจ้าแต่รู้ใดช่ขนาดจิเดียวเดือนแก้งนะช่วงนี้อากาศก็ดีเดินน่งกงกันมากเดินน่งกงกันมาก นับดูกระดูกทุกชิ้นไม่ใชนับตามตำลานับตามในวิบวางนับกันงแต่ที่สถาท่าท่าคุณมาทิกนับให้มันได้นับนับให้มันชัดเราไม่ดูแล้วใครจะรู้ให้เราเราไม่เห็นแล้วใครจะเห็นให้เราเรายึดถือแล้วใครจะปล่อยวางให้เรามันก็นอนแช่ออยู่ในมหได้พูดอย่างนี้พอใจกนันทิ้ท่า น, นี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ถา่าเาเข้าใจไหมเราก็ต้องไม่พอใจอะไรเล่าที่จะดีจิตีใจของเราอยพ้นจากกองโหรกองคู่ก็คือกองอมตะฐานกอนี้พระพุทธเจ้าไม่สามารถไม่ใช่ฐานะที่จะดึงลอยค้นจากกองโหรกองคู่ทำมาอำสำพระพุทเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าแต่ยังยังอยู่สมบูรณ์บริบูร์ขนาดไหนจึงเราก็ช่างไม่สามารถที่จะดึงลอยค้นจากกอโหรกองคู่ก้ไอ้อาุพอาุพังก็เคยกองเสดจองตายกงน้ได้ เรานี่ยจะต้อเป็นพูกที่ดึงเราเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วมาายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีลมแล้วมันก็หมดเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาเกิดขึ้นเขาปรากฏแล้วเขาก็สลายจนกระทั่งไม่ปรากฏหมดไปเลย เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่เจะเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ใจของเราเดี๋นี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวี่สนใจกับกองมุดของพูดสนใจเไปใจของเราเดี๋ยนี้เป็นยังไงมันไม่สบายมันไม่สงบดูใจที่ไม่สบายดูใจที่ไม่สงบ ดูมันอยู่นั่นแหละอย่าไปคิดอย่าไปปุุงอย่าไปแต่งไม่คิดดูเฉยๆเราดูเฉยๆความรู้มันจะเกิดแต่ไปคิดมันเป็นความคิดมันเป็นการคาดคำนึงตนเราเนาะความจริงมันต้องตาเห็นชัดตาไม่เห็นคนอื่นมาพูดหรือเราจะนึกเอา ดาออกอันนั้นไมใช่เลยล่ะต้องเห็นด้วยตาตาใจของเราเอาไปส่งตรไหนมันเห็นตรงนั้นในเมื่อมีความพยายาที่จะแส่งอยู่เสมอมาแล้วนี่ทางเขจาใใจเราสบายก็ดูความสบายใจที่สมัคสบายก็ให้ดูความสบายใจที่มันไม่สบายก็ดูความไม่สบายเวทนาทู้กัเวทนาทู้กัเวทนา ใจ้องเราพอกลางๆผู้ก็ไม่สุขกนไม่เฉยผู้ผูก็ไม่เฉยสุขก็ไม่เฉยทันงนั้นก็เป็นเวทนาถ้ป็นเวทนาเราเห็นตไม่ตนเห็ตัไม่เห็นตนั้งยาก็ไม่เห็นตไม่เห็นตนทั้งขังก็ไม่เห็นตัวไม่เห็นตวิญญาณก็ไม่เห็นตัวไม่เห็นตและอะไรเป็นตัวเป็นตนเรียนรู้อยู่เสมอสิ่งที่มาเกี่ยวของทั้งหมดปรากฏในใจทั้งหมดนั่นคือความเกิด รถควันหนังจะผมของเราเมคนกัจ yeah. ้าคนองใครรถคนเชื่อควันหนังของใครกเจ้าถ้ามันไม่ปรากฏในใจมันไม่เป็นธาตจกัญชาความจริงไม่เป่นแก้ที่ใจก็ไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดธารุแก้าตุแก้แก้จริงที่เคดเป็นธาจุที่หายไปแล้ กล่าวไว้เห็นฟองน้ำเกิดดับฟองน้ำเกิดตับฟองน้ำเกิดแล้วก็สลายไปเกิดแล้วสายไปก็ยังได้สำเร็จเป็นพระอรหันย์ทำที่จะเป็นธรรม้าให้จิตใจของเราปล่อยวางก็คือของที่เกิดมาแล้วดับไปี ของเกิดับเจตนาก็เป็นของเกินดับสัญญาสัญญาดินญาเป็นของเกินดับองนั้นรูปไปของเกินดับเราก็รู้รูกันดูใครเกิดเมืสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดมีจิตวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณดับไดเกิดมาตายทำไการใ้ใใดในโลกธาัุทั้งมทีอย่างและทีตายตที่ตนเกิดมาแล้วมนดับไมมีมันเป็นธรรมชา คำวาเกิดเราก็สมมติดับเราก็สมมติเป็นธรรมชาติของเขาเราเป็สมมติว่าเกิดเราเกิเราสมมติโลกเกิดเราตายก็สมมติว่าเราตายเราไปแค่หมดมันคิเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติทั้งนั้นโลกธาตุเต็นไปด้วธรรมชาติคือควาเกิดควาเกความตายความเกิดขึ้นจมไปสลายการเกิดเกิดขึ้นแล้วก็จมไป แล้วก็สายเลยใช่ไหมสัวปเวทนาเป็นเพียเวทนาวัตถตัวตนเวทนานิจจาเวทนานัตตาปัญญาิจจาปัญานัตตาสังขารานิจาสังขารานัตตาจินญาณังิญญานังนัตตา ศึกษาใ น, นเมื่อเราเอาใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความรู้จะเกิดขึ้นความรู้จะเกิดขงงนนึ้นอย่างไรก็ช่างเกิดอันนั้นคือผลของการศึกษาที่ว่ารู้ทำไม่ใช่ไปรู้จำละไม่ใช่ไปรู้ชื่อแต่ว่าทำมาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ที่นี่ไม่เด่ น, นอกไปบอกว่าเชื่อมันเห็นไหม หรือธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วมันจะปรากฏชื่ออันนั้นมันเป็นเรื่กงว่าเป็นสมบสัตนะิบัญญัติขึ้นมาให้เรารู้อันนี้เพื่อย่นี้นี่นะมีบัญญัติขึ้นมาเรารู้ถึงเงี้ยอันนี้ปรากฏขึ้นมาไม่มีบัญญัติพักขึ้นมาเราก็รู้ว่านี่เป็นละไรเวทนาเป็นของไน่เที่ยง ใจนั่นแหละเป็นเวทนาทุกข์กับใจทุกข์สุขกับใจสุขไม่ทุกข์กับสุขกับใจเนี่ยพอปันกลางกลงอะไรเปลี่ยนับใจนี่ก็แสดงว่าเขาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอความทุกเกิดขึ้นความทุกข์กระดับไปมันจึงมีสุขได้ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปมันจึงเป็นทุกข์ได้นี่ก็แสดงว่าความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีมันเป็นของไม่แน่นอนอะไรเหมือนกับกองด่านดีๆเกิดขึ้นล้ายสัตว จำเนีเขาเหมือนกะนมันจำภาพบางมันลืมมันจำภาพบามันลืมไอ้ที่มันจำได้มันคิดขึ้นมาใหม่เราล้อไปแต่เราจำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่าไม่มีในเรื่องนั้นไม่มีแต่ที่เวลาเราจำครั้นั้นได้แต่นั้นมันเกิดขึ้นใหม่ซึ่งมันขันยาสันฐานก็เหมือนกันวินญาณก็เหมือนกันของเกิดแล้วไม่ดับมันเกิดขึ้นแล้วดับได้ทันั้น ท่ายงว่าขันห้าไม่จิตโสดตนใครยปิยุธนันเป็นภาระหนักข่ยปล่อยวางเสียภาระหนักหมดตัดข่ายปล่อยวางได้จึดที่ปล่อยวางได้จิตไั้หมดภาระขันห้าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จิขันห้าเป็นขันห้าจิตปล่อยไว้จิตปล่อยวางขันห้าแล้จยิงจิตเป็วางขันห้าเพราะจิตรู้ทัดตามเลยสภาวะมันเปของขัน้า ที that, cards, ่ก็ไปวงมดอันนี้ก็กหน้าเป็นหน้าจิตเป็นจิตนะวิญญาณมันเป็นวิญญาณวิญญาณนจิอ่าวิญญาณบางเป็นล่กษณนหนึ่งสังหารวิญญาณก็คือการรูอารมณ์การสังารโลกเกิดเป็นความู้ขึ้นนะกะรู้แล้วแล้วรู้แล้่าจะจะนจะจะินดียินแล้มันก็เป็นส่วนหนึ่งจะจะเอาไปคิดระปแต่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นอย่างนั้น ความรู้สฉพาะขณะเดียวเท่านั้นวนุ่มนี่กำลังศึกษาเื่องข่ายังไงไปฟังเธอไม่ยินได้ฟังมันไปเฉยๆตู้ความแขีงแกร่งที่เรารู้เราเห็นชัดไหมลเป็นไงล่ะยู้เข้าไหนล่ะชื่อยังไง ลูกชายเอแหมนะหมอเลยนะคืออะไรนะกายของเราเป็นสิ <inaudible> <ID mới> ่ใจของเราเป็นศิ่รักษากายดีรักษาใจดีรักษาสิ่งกายของเราเป็นธรรใจของเราเป็นธรรมรักษากายดีตรงรักษาใจดีเรียกว่าเราปฏิบัติธรรม เมื่อมีสตินั่งเลยมีสตินอกกปมีสติให้มีสติอยู่ใกล้ใจลึกถึงอยู่จำไม่ให้ความระลึกได้มันหายมันขาดไปจากใจกขอวัดปฏิบัติการจะทำอะไรทำอะไรบ้านทีหลังให้ดูผู้ก่อน มาเหลือมามาที่หลังให้ดูผู้มาก่อนผู้มาก่อนก็ให้เป็นผู้นํานที่เป็นธรรมเป็นวีไรผู้มาหลังก็ให้ดูผู้มาก่อนผู้มาก่อนเป็นธรรมเป็นวีไรเราก็ทำตามและปฏิบัติตามเอามาเป็นเรื่องอย่างเด็ดแทบัดผู้มาก่อน บอกข้างๆครูครูคยาเป็นเกี่ยวข้องนัน่งสมาธิกันไม่มีอาะไรเป็นพระไม่มีใจเท่านั้นขวบพระเป็นผู้ประเจอ จะไม่นะเป็นผู้ที่มีใจสงบคําว่าประเสชิญอะไรประเสชิญร่าอะไรประเสชิฐผมก็เกิดมาตายคนก็เกิดมาตายเร็กก็เกิดมาตายกองดินกองน้ำกองไฟมันมันจะมันจ ะ, จ ะ, ะเผชิญแบบนี้ได้มีแต่ใจเท่านั้นกระเสิร์ใจของเราประเสริร์ใจของเราเป็นค่า มาณพนะฐแปลว่าสงบแปลจากจิตใจที่สงบแล้วจิตใจยังได้สงบหาความเป็นธรรมนิพพานจิตใจสงบแล้วเป็นมาณะเป็นหมดไปหมดลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นมาณะมีความสมบงบ สงบเล็ ก, ก็สงบฟันก็สงบหนังก็สงบสลีละร่างกายทั้งหมดดิน น, น้ําลมไปสงบไปหมดท่าใจสงบผมก็เป็นผมตามธรรมชาติขนก็เป็นผลตามธรรมชาติเล็บฟันหนังเป็นเล็บฟันหนังโดยธรรมชาติท่าใจของเราเป็นธรรมชาติไม่มีเอฟมาบิดเบือนไม่มีเอฟมาจุม่มมาดินซ้ายดึงขวา ใจของเป็นอิสระทุกอย่างก็เป็นอิสระผมคนดุเป็นฟันหนังเป็นอิสระไปหมดใจของเราเป็นกิเลสติมก็เป็นกิเลสน้ำก็เป็นกิเลสลมไฟเป็นกิเลสของคนเล็กฟันหนังเป็นกิเลสไปหมดทั้งสรีระร่างกาย ใจเป็นธรรมใจเป็นสมณะเป็นธรรมเป็นสมณะไปหมดผมคนึกปันหนังสลีระร่างกายล้วนแล้ว่แต่เป็นสมณะสงบไปหมดทุกอย่างสําเร็จจากใจการยุ่งดูความยุ่งใจไม่สงบดูความไม่สงบใจมันคิดดูความคิดเอามันอย่างนี้อพุ่มมาอย่างนี้มันจะไปไหน ในที่สุมันก็จนตรอกมันก็ไม่ได้อะไรไล่ที่มันอยู่เสมอมันจะดิ้นไปทางไหนที่มันจะดิ้นยังไหนที่ตามมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็เป็นแค่ตีแต่มาที่ตรงแน่วแน่ที่ลงไปในจุดที่มันโผล่มานั่นแหละถ่าหัวใจของเราไม่ดีมันมีสติแน่ทั้งขามันเตรงทันที ธนาคารมันตรงทันทีธนาคารมันตรงทันทีเวทนาความยินดีเวทนาการท่ามันเกิดขึ้นทิ้งชอบชอบใจเป็นที่ไม่ชอบใจมันเรื่องอะไรธนาามันก็ถ่ายมันก็เกิดขึ้นอันทีมันมันเป็นอัเป็นอาการข้อจิตถ้าสมมติเป็นเวทนาการท่าต่างกันมาเป็นอาการข้อจิตหลงจุดเป็นอย่างนี้เรื่องข้อจิตเป็นอย่างนี้เวทนาก็เป็นหลงจิตการท่าก็เป็นหลงจิตอุปัากเขาเป็นหลงจิต เรื่องของจิตมันเป็อย่างนี้ทําไมที่เป็นอย่างนี้เล่าก็เพราะไม่มีสติจ่อยให้สังขารมันตึงนี่สติไปแล้วขามันตึงมันตึงไม่ได้มันตึงยังไงมันต้องอยู่ในก่อของสติท้ามันทํางานในี่านทํางานผ่านทํางานไม่ใช่ไม่เป็มันจะปล่อยให้มันปล่อยมันตึงผ่านทางานผานทางานอันนี้เป็นมัก ใจของเราอันเดียวเป็นในทุกอย่างเป็นอันธพาลก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นผีก็ยังได้เป็นพระก็ได้ใจยังมีสงบหาความเป็นธรรมนิ้ามจิตใจสงบแล้วเป็นธรรมนัตเป็นหมดไปหมดลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธรรมนมีความสงบ ผมก็สงบเล็บก็สงบฟันก็สงบหนังก็สงบกรีระร่างกายทั้งหมดดินน้ำลมไปสงบเป็หมดถ้าใจสงบผมก็เป็นผมตามธรรมชาติขนก็เป็นขนตามธรรมชาติเล็บกันหนังเป็นเล็บฟันหนังโดยธรรมชาติถ้าใจของเราเป็นธรรมชาติไม่มีเกล็มาบึกเบือนไม่มีเกลมาจุงไม่มาดึงซ้ายดึงขวา ใจขอเราเป็นอิสระทุกอย่างเขาเป็นอิสระผมคนเป็นตั้งหนังเป็นอิสระไปหมดใจขอเราเป็นคือลดินก็เป็นกิเลสน้ำก็เป็นกิเลสลงไฟเป็นคิเลสผงคนในฟันหนังเป็นกิเลเป็นหมดทั้งรีร่างกาย ใจ เ, เ, นะเป็นธรรมใจเป็นสมณนะเป็นธรรมเป็นสมณะไปหมดผมขนเล็บปันหนังก็ีระ ล, ะละ่างกายล้วนแล้วแต่เป็นสมณนะสงบไปหม ด, หมดทุกอย่างสาเร็จจากใจใจยุ่งดูความยุ่งใจไม่สงบดูความไม่สงบใจมันคิดดูด้ยวยดูความพิดเขามันอยู่อย่างนี้คุมมันอยู่อย่างนี้มันจะไปไหนในที่สุดมันจะตรอง มันก็ไม่มีเด่นอะไรไล่จี้มนอยู่เสมอมันจะดิ้นไปทางไหนที่มันจะดิ้นไปทางไหนจี่ตามมันอยู่เสมอในต่อเวลาถ้าเาตอกได้สติจะมาที่ําแน่วแน่ที่ลงไปในจุดที่มันโผล่มานั่นหลับขาของใจของเราไม่จี้เลยในสติแน่ขั้งฐามันตรงทันทีขั้นขามันตรงทันทีขั้นขามันตรงทันที เวทนาตอนยินดีเวทนาการท่ามันเกิดขึ้นจริงชอบชอบใจจริงที่มันชอบใจเหมือนหนึ่งเหือนตันสามันก็ถ่ายมันก็เกิดขึ้นทันทีมันมันเป็นอัเป็นอาการของจิตถ้าสมมติเป็นเวทนาการท่าตามกันมาถ้าคืออาการของจิตลงจิตเป็นอย่างนี้เรื่องของจิตเป็นอย่างนี้เวทนาก็เป็นองจิตการทาเขาเป็นองจิตอุปัฏานเขาก็นเรื่อเป็นองจิตเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนี้ทําไมที่เป็นอย่างนี้เล่า ก็เพราะไม่มีสติจ่อยให้สังขารมันตงึงมีสติไปสังขารมันตงึงมันตรงไม่ได้มันตึงยังไงก็ต้องอยู่ในกรอบขสติ